ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิธมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเสนอตอนที่ส0บปัญหาธรรมเกิดป่วยหนักครั้งแรกธรรมโอสถแก้โรคร้ายและเจ้าคุณธรรมเกดีไปท่ดองด้วย หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้ให้อวาธธรรมเอาไว้ว่าทางเดินเพื่อผ่านพ้นจากทุกข์ทั้งหลายเดินอย่างนี้ไม่ใช่เดินด้วยความสะดวกสบายกลัวแต่ความทุกข์ความลําบากที่จะมาถูกต้องร่างกายแต่ไม่ได้กลัวทุกข์ที่ดิบคันภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานับกับนับกันไม่ถ้วนได้เลยจึงเป็นความเห็นความรู้ความเข้าใจที่สวนทางกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้า สิ่งที่สวนทางกันร้อยเปอร์เซนต์กับทำรรของพระพุทธเจา้าก็ไม่ใช่กิเลสจะเป็นอะไรไปกิเลสพาผู้ใดให้ดีพาผู้ใดให้รับความสุขความสบายคนมีกิเลสหนาหนาเป็นคนเลิดโลกมีไหมเราเคยเห็นไหมนอกจากคนที่สลัดปัดทิ้งกิเลสออกโดยสิ้นเชิงด้วยการต่อสู้โดยเอาชีวิตเข้าแลกและได้ชัยชนะหลุดพ้นไปด้วยเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐกิเลส เป็นเหมือนกับเสี้ยนกับน้ำยอกฝ่าเท้าเราธรรมะเป็นเครื่องบ่งเช่นเป็นเข็มหรือเป็นน้ำวิธีการบ่งออกก็สอนหมดแลยนำยามาใส่ให้ความระมัดระวังรักษาคือจิตใจอย่าทรงสายแสไปหาสิ่งที่เป็นภัยเช่นเดียวกับเราแหวงเท้าหาน้ำก็ไม่พ้นจะได้เหยียบน้ำบ่อยๆให้ระมัดระวังเท้าของตัวเองเอาไว้ยาก็ใส่เสีย้ย การอบรมจิตใจก็อบรมการระมัดระวังไม่ให้จิตใจสายแสกไปหาสิ่งที่เป็นขวากเป็นหนามก็ให้ระมัดระวังท่านก็สอนไว้หมดหลวงตามหาบัวยาสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าขณะรำพึงถึงความอัศจรรย์ของจิตอยู่นั้น ขณะจิตหนึ่งผุดขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดคาดฝันว่าถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั้นแหลคือตัวพกข้อความเพียงเท่านี้เรางงเป็นไก่ตาแตกแทนที่จะได้อุบายจากอุบายนั้นกลับไม่ได้ซ้ายัางเพิ่มความสงสัยเข้าไปอีกนี่ถ้าเป็นท่านผู้รู้ผู้ฉลาดท่านก็ว่าทำเกิดแต่เรามันโง่จึงไม่อาจคิดขึ้นได้เอจุดอยู่ที่ไหนต่อมอยู่ที่ไหน ก็มองเห็นชัดๆอยู่แล้วเพราะจุดสว่างมันเห็นเป็นดวงอยู่ในจิตสว่างจ้าอยู่ภายในจนิตนี้พูดง่ายๆก็เหมือนตะเกียงเจ้าพายุมันสว่างจากไส้ตะเกียงไส้มันคือจุดที่สว่างมันก็เห็นอยู่แล้วจุดแห่งความสว่างมันก็เห็นได้อย่างชัดๆแต่มันไม่ยี้เข้าตรงนี้กับรูปคำไปที่ไหนตามภาษาความโง่นั้นแหลอุบายผุดขึ้นมาขนาดนั้นแล้วน่าจะยึดได้มันยังยึดไม่ได้ จึงไม่ได้ประโยชน์จากอุบายที่ผุดขึ้นมาบอกในเวลานั้นปล่อยให้เวลาผ่านไปเปล่าๆ เ, เ, เป็นเวลาสามเดือนกว่ายังปรงวางกันไม่ได้ก็แบกปัญหานี้ทุดงไปในป่าในเขาเพียงคนเดียวทางอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและต่อไปยังอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย หลวงตามหาบูญาณาสัมปนโนได้เล่าชีวประวัติของท่านในการป่วยครั้งแรกเอาไว้ว่าอันนี้ยังทําให้คิดย้อนหลังตัวถึงคราวป่วยอยู่บ้านกระโหมโพนทองระหว่างอําเภอบ้านผือกับอําเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายแนวเขตแดงติดต่อกันมีแม่น้ําทอนกั่งกั้นเอาไว้ป่วยคราวนี้เขาเรียกว่าไข้เก็บขัดในหัวอกทําให้สงสัยเหมือนกันว่า ถ้ไม่มีเชื้อโรคทำไมคนป่วยถึงดารดาดัดกันไปหมดเหมือนอหิวาเหมือนโรคฝีดาดวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นกันเท่าไหร่เท่าไหร่ตายกันเท่าไร่เท่าไหร่วันละสถึง8คนเราไปพักอยู่ในป่าเขาก็ยมงวนมากุศลาทรมาบังสุกุลให้คนตายเพราะแถวนั้นไม่มีพระวันๆมีแต่กุศลามาติกาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คนตายไม่หยุดไม่ย่อนเราจึงไม่ได้หนีจากป่าชา้าและสุดท้าย โรคที่ว่าร้ายๆที่คร่าชีวิตคนมากมายนั้นก็มาเกิดขึ้นกับตัวของเราเองแต่ธรรมของเรานี้มันก็แข็งกร้าวเหมือนกันนะคือเมื่อมันเป็นเหมือนกับเหล็กเหลาทิ่งแทงเข้าไปในหัวอกหัวใจหายใจแรงไม่ได้มันขัดมันเจ็บในหัวอกแน่นในหัวอกพอเราหายใจแรงๆมันเป็นเหมือนหอกเหมือนเหลาทิ่งแทงเข้าไปข้างในทราบทันทีว่าอ๋อโรคอย่างนี้นี่เอง ที่เขาเรียกกันว่าโรคเจ็บหัวกอกที่เขาเป็นกันก็บอกเขาว่าอาตมาขอตัวอาตมาได้เป็นโรคอย่างนั้นแล้วต้องหลบตัวมาพักที่ป่าภัยกอไผ่ที่เชิงภูเขาในระยะนั้นจิตก็ละเอียดมากทีเดียวเรื่องร่างกายนี้เป็นอันว่าปล่อยวางกันไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่นามธรรมาความคิดความปรุงที่ฟัดเบียงกันอยู่ตรงนั้นจิตก็รู้สึกละเอียดมากท่องใส่มาก กล้าหารมากทีนี้เมื่อโรคเกียบยัดหัว อ, อกนี้ได้ปรากฏขึ้นก็ชักจะรนเรศคิดว่าเออเรานี้จะตายเสร็จแล้วหรือหนี่ตายเวลานี้เรายังไม่อยากตายเพราะในหัวใจนี้ยังรู้อยู่ชัดๆว่าถึงจะละเอียดขนาดไหนก็ตามจิตดวงนี้ยังไม่ได้เป็นอิสระยังมีอะไรอยู่ในจิตของเราหากว่าตายเวลานี้เราก็แน่ว่าจะไปเกิดหมายถึงไปเกิดในชั้นพรหม นี่ละที่ทำให้พิ่ตกวิจารณ์ว่ายังไม่อยากตายเพราะจิตยังค้างอยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่งอย่างแน่นอนหลวงตามหาบัวยานสัมปโ น, โนได้เล่าถึงการใช้ธรรมโอสถแก้โรคร้ายเอาไว้ต่อไปอีกว่าครานเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจรึงค้นเรื่องทุกขเวทนา ที่มันอยู่ในหัวใจนี้เอากันหมุนอยู่ในหัวใจนี้เลยโรคเป็นยังไงเกิดขึ้นจากอะไรเสียแทงอะไรเวทนาเป็นหอกเป็นเหลาเมื่อไหร่มันก็เป็นทุกธรรมดาธรรมดาทุกนี้ก็เป็นสภาพอันหนึ่งทันว่าเป็นของจริงทุกขังอริยสัจอย่งค้นกันไปค้นกันมาไม่ถอยเลยเป็นกับตายไม่ได้สนใจสนใจแต่ให้ความรู้จริงในวันนี้ทุกเวทนามันมากเท่าไหร่มันแทงในหัวอก สติปัญญายิ่งหมุนติ้วเตี้วสู้ไม่ถอยจากหัวค่ำจนกระทั่งถึงหกทุ่มกว่าเห็นประจักษ์จิตรอบด้วยปัญญาทุกเวทนาถอนออกจากหัวใจถอนออกถอนออกอออกำหนดตามกันตามกันถอนออกจนโล่งหมดเลยหายเงียบไม่มีอะไรเหลือโล่งหมดในหัวอกนี้สุดท้ายก็เหมือนกับร่างกายไม่มีว่างไปหมดเลยพักดูความอัศจรรย์ของจิต เมื่อทุกขเวทนาดับไปหมดแล้วมีแต่ความว่างของร่างกายจากนั้นก็เป็นความว่างของจิตกายหายเงียบเมื่อจิตมันพอตัวได้กำลังแล้วก็ยิบยักยิบยักถอยออกมาออกมาจิตก็ยังว่างร่างกายแม้จะมีอยู่ก็าตามแต่ไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีเสียแทงในหัว อ, อกอย่างที่เคยเป็นมาเลยทีนี้แน่ใจว่าไม่ตายโรคนี้หายไม่ยากอะไรเลยแจ้กัน ด้วยอริยสัจพอหลังจากนั้นแล้วก็ลงเดินจงกรมเอาตะเกียงโป๊ะเล็กๆจุดไว้ข้างนอกมง้งเดินก็เดินตัวเปลีวยไปเลยหายเงียบไม่มีอะไรเหลือทุกขสัต์นี้เป็นเหมือนหินลับปัญญานะถ้าเราพิจารณาแบบพระพุทธเจ้าสอนแบบอริยสัจเป็นของจริงๆแล้วเรื่องทุกเวทนานี้เป็นหินลับปัญญาให้ข่มกล้าจากนั้นก็ลงเดินจงกรมและสุดท้ายวันนั้นไม่ลงนอนนะ ตลอดรุ่งพอใกล้สว่างโยมนั้นปุ๊บปับเข้ามาหาเอา้าโยมมาทําไมละ่ะเราถามเขาก็บอกว่าผมนอนอยู่ข้างกอไผ่าานี่แหละเอา้านอนทําไมก็บอกให้ไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ผมไม่ไปผมกลัวท่านอาจารย์จะตายผมคลอยแอบอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้นอนเหมือนกันไฟของท่านสว่างตลอดรุ่งพอผมเห็นท่านพระอาจารย์มาเดินจงกรมผมก็ดีใจขึ้นบ้างเขาว่าอย่างนั้น เราจินลำบากในการประพฤติปฏิบัติแต่มันได้สิ่งที่อัศจรรย์ในเวลาจนตรอกจนมุมทุกครั้งเชียวนาหลองตามหาบัวยานสังปนโนเดินเล่าชีวประวัติของท่านในการที่จะคุณธรรมเจดีออกไปถ ด, ดงด้วยไว้อีกว่าทีแรกท่านเจ้าคุณธรรมเจดีท่านไปด้วยเราก็จำเป็นให้ท่านไปด้วย ในเวลาอยู่ด้วยกันเราก็คอยหลีกเลี่ยงท่านอยู่เรื่อยเพราะกลัวขาดการสืบต่อทางด้านความเพียรไม่ค่อยมาสนทนาธรรมกับท่านบ่อยนักท่านจึงใส่ปัญหาเราว่าเธอเอ้ยเรากลับไปแล้วเธอก็จะสบายหรอกเธอยุ่งเพราะเราท่านว่าอย่างนั้นคือว่าเราไม่สะดวกจะอยู่ร่วมด้วยกับใครๆในเวลาเช่นนั้นท่านก็มีเรื่องจะพูดจะคุยอะไรกับเราอยู่เรื่อยๆส่วนเรามันขาดความเพียรไม่อยากให้เสียเวลา เวลาพูดคุยกับท่านมันก็จะงักไปบ้างในทางความเทียนพอออกจากท่านไปมันก็ดิดผึงดิดผึงจากนั้นถึงกลับมาที่วัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนคร อ, อีกครั้งหนึ่ง